จเจริญพรท่านสมาธุชนพุทธบริษัทบาศกุบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2 9พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมบัศวนนะวันฝังธรรมเป็นวันมงคล เพราะว่าเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายมาวัดกันจะได้กระทำเหตุสิ่งที่จะทำให้เกิดมงคลขึ้นมามงคลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรมเจริญในลาบยศสรรเสริญ จเจริญด้วยอายุวรนนสุขภาร ะ, ะเจริญด้วยมัดด้วยผลเพราะการมาวัดนี้เป็นการกระทาตามมงคลที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กระทาซึ่งในมงคลลสูตรพระพุทธเจ้าทรงสแสดงการกระทาที่เป็นมงคลอยู่38ประการด้วยกัน 3ข้อแรกก็คือ 1. การไม่คบคนพาล 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือข้อ3ข้อแรกที่พวกเราจะได้กระทำกันเวลาที่เรามาวัด เวลาที่เรามาวันนี้เรียกว่าเราเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บัณฑิตก็คือผู้รู้ผู้ฉลาดส่วนคนพาลก็คือคนโง่เขาเบาปัญญาวันนี้เราไม่คบคนพาลเรามาคบบัณฑิตคนพาลจะชวนเราไปกินเหล้าไปเที่ยวเตะไปเล่นการพนัน ไปทำบาปทํากรรมเช่นไปยิงนกตกปลาเราจะไม่ไปกับคนพาลเราจะไปกับบัณฑิตบัณฑิตข อ, ของพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกและพระอาาริยสงสาวกตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปบุคคลเหล่านี้ท่านเป็นบัณฑิต ท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุของการที่จะทำให้จิตใจสุขให้เจริญรู้เหตุที่จะทำให้จิตใจทุกข์ทำให้จิตใจเสื่อมเสียถ้าเราเข้าหาบุคคลเหล่านี้เขาก็จะพาเราไปในทางที่เขาไปกันถ้าคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ช้าก็แล้ว เราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานกันเราก็จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันยุติความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราได้พบกับผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วท่านก็จะ ดึงเราชวนเราพาเราให้ไปทางนั้นเพราะทางนั้นเป็นทางที่มีแต่ความสุขไม่มีแต่ความทุกข์ถ้าเราไปคบกับคนพาลคบกับคนที่ชอบเสพอบายามุขเช่นเดิมสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันคบคนพาลเป็นมิตร ควบความเกลียดครา้าดถ้ามีสิ่งเหล่านี้ก็จะดึงจิตใจให้ไปสู่การทำบาปต่อไปเมื่อทำบาปแล้วเวลาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายจะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างต้องไปเป็นอสุรกายบ้าง ต้องไปเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะบาป ท, ที่ทำไว้บาป ท, ที่ทำเพราะไปเสพอบายามุกอบายามุกนี้มีแต่จะดูดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ให้หมดไปและไม่ได้หาไม่ได้เพิ่มทรัพย์สมบัติของเราให้มีมากขึ้น พอเราเสพอบายามุขจนหมดเนื้อหมดตัวเราก็ต้องไปทำบาปเพราะเราจะไม่มีความสามารถที่จะหาเงินหาทองแบบสุจริตได้ mm. เราก็จะไปหาด้วยวิธีการทำบาป mm. เช่นไปรักทรัพย mm. ์ไปพ้นไปจี้ธนาคาร mm. แล้วถ้าเกิดการต่อสู้ขัดขวางกัน ก็จะเกิดการฆ่ากันตามมานี่เป็นการกระทำบาปที่เกิดจากการสูญเสียเงินทองจากการเสพอบายามุขเช่นการเสพสุรายามางนี้ไม่ได้เป็นการทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่จะทำให้เรามีรายได้ลดน้อยลงรายได้ลดน้อยลงเพราะเราต้องเสียเงิน ไปซื้อสุรามาดื่มเมื่อเราดื่มแล้วเราก็เกิดอาการมึนเมาตอนเช้าถึงเวลาจะตื่นไปทำงานก็ลุกขึ้นมาไม่ไหวก็ไม่ได้ไปทำงานพอไม่ได้ไปทำงานบ่อยๆเข้าก็จะถูกเขาไล่ออกจากงานเงินเดือนที่เคยได้ก็จะไม่ได้นี่คือ ผลเสียหายเกิดจากอบายมุขที่มันจะดูดซับของเราไปพอเราตกอานแล้วเรายังติดสุราอยู่จะทำอย่างไรถ้าไม่ได้ดื่มก็ทุกข์ทรมานก็ต้องไปหามาดื่มด้วยวิธีทําบาปตอนต้นก็ไปขอยืมเงินเขาก่อนแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปคืนเขาได้ก็เหมือนกับไปโกหกหลอกลวง หรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมานี่ก็เรียกว่าทําบาปแล้วแล้วต่อไปพอคนที่เขาให้ยืมเงินเราไม่สามารถเอาเงินคืนได้เขาก็จะไม่ให้เรายืมอีกต่อไปพอเรายืมเงินไม่ได้เราก็ต้องหาด้วยวิธีลักทรัพย์ขโมยเงินทองของผู้อื่นขโมยไปแล้วก็เวลา ถูกเจ้าหน้าที่ตามจับหรือเจ้าหน้าที่มาขัดขวางก็จะมีการต่อสู้กันได้และอาจจะมีการฆ่ากันตายได้ถ้าเราฆ่าผู้อื่นก็เป็นบาปถ้าเราถูกฆ่าเราก็ตายนี่คือผลที่เกิดจากการเสพสุรายาเรานอกจากนั้นยังมีผลเสียหายทางร่างกาย ดื่มสุรามากๆก็จะมีอายุสั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคมะเร็งนี้หมอเขาก็วิจัยว่ามีสาเหตุมาจากการดื่มสุราหรือโรคพิษสุราหรืออรังก็เพราะตับไตไส้พุงนี้จะทนพิษสุราไม่ได้จะต้องตายไปก่อนวัยอันควรนี่คือโทษ ของการครบคนพานคนพานก็คือคนชอบเสพอบายยามุก ค, คนชอบเสพสุรายามเมาคนชอบเล่นการพนันคนชอบเที่ยวเตะคนชอบความเกียดคร้านไม่ชอบทํางานไม่ชอบเรียนหนังสือถ้าเรียนหนังสือก็จะหนีโรงเรียนถ้าทํางานก็จะตกงานเพราะจะขาดงาน ทำไม่ได้อย่างต่อเนื่องหนีงานบุคคลเหล่านี้อย่าไปคบกับเขาเพราะถ้าคบกับเขาแล้วเขาจะชวนให้ไปในทางของเขานั่นเองเขาจะชวนไปดื่มสุราชวนไปเล่นการพนันชวนไปเที่ยวเตะซึ่งเป็นการเสียเงินเสียทองไม่ได้เป็นการเพิ่มเงินเพิ่มทองให้มีมากขึ้นไป เงินทองที่เรามีอยู่มากน้อยไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปการครบคนพานจึงเป็นอับประมงคลไม่ใช่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราครบคนดีคนที่เก่งกว่าเราลื่นเก่งเท่าเราดีกว่าเราหรือดีเท่าเราถ้าคบคนที่เขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราไม่ได้ ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยก็จะไม่มีคนเร็วมาคอยฉุดกให้เราไปลงต่ำอย่างวันก่อนมีภรรยาบ่วนว่าสามีหรือสามีบ่วนว่าภรรยาเป็นคนไม่ดีชอบเล่นการพนันเดินสรายาเมาชอบใช้เงินไม่ชอบหาเงินจะทำอย่างไรดีก็บอกว่าอย่ากันดีกว่า อยู่ไปทำไมอยู่ไปแล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียคนเราที่มาอยู่ด้วยกันก็เพราะเราอยากจะมีความสุขร่วมกันแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ไปทำไมอยู่ไปแล้วทุกข์ไปเปล่าๆสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะมีความเหงาบ้างแต่ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับ คนที่เราอยู่ด้วยแล้วถ้าเราเข้าวัดเราทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเป็นเรากลับจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนอื่นเพราะเราจะมีอิสระภาพเราจะไม่ต้องไปเป็นทาสของคนอื่นถ้าเรามีคู่เวลาเราจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตเขาถ้าเขาไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ บางทีเพื่อนฝูงอยากจะมาชวนไปเที่ยวหน่อยก็ไปไม่ได้เพราะเขาอิดฉาเขาลิษยาเขาหึงเขาหวงกลัวเดี๋ยวจะไปมีคนใหม่นะก็เลยแถนที่จะมีอิสระภาพก็ไม่มีอิสราภาพไปไหนก็ต้องไปแบบปลาท่องโกไปติดกันไปนะถึงแม้จะไม่อยากไปก็ต้องทนไป สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักพึ่งตนเองถ้าเรารู้จักพึ่งตนเองเราอยู่คนเดียวสบายกว่าพึ่งตนเองเพึ่ง อ, อย่างไรก็พึ่งด้วยธรรมะนี่เองถ้าเรามีธรรมะถ้าเรามีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจของเราจะมีความสุขจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้าเวเวลาอยู่คนเดียว แต่กับจะลำคาญเวลาต้องอยู่กับคนอื่นเพราะเวลาอยู่กับคนอื่นก็จะทำลายความสงบของใจความสุขของใจอยู่คนเดียวมีความสุขความสบายใจแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับคนที่เขาเราอยู่ด้วยกลัวเขาจะไปมีแฟนใหม่บ้างกลัวเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปบ้างกลัวเขาจะพี่กนพี่การบ้าง มีสารพัดกลัวมีสารพัดทุกข์ให้เราต้องมากังวลแล้วเกิดเวลาเขาเป็นขึ้นมาจริงๆก็ต้องร้องหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าเกิดเขาพิกลพิการขึ้นมาเราจะทำอย่างไรคนบางคนพอแฟนเป็นพิการไปก็ทิ้งกันไปเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเขาได้ ก็เลยต้องทิ้งกันเวลาเราเป็นอนมาพาสเราเป็นพิการไปเขาก็ต้องทิ้งเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอนนี้พวกเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนอกจากร่างกายแล้วยังต้องใช้ร่างกายของคนอื่นเป็นเครื่องมือด้วย ไท้ทั้งสองอย่างถ้าร่างกายของเขาหรือของเราเป็นอะไรไปเป็นอามาพึ่เป็นอามาพาไปติดโรคเอดมาอย่างนี้ก็จะไม่อยากจะอยู่ร่วมกันแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะคิดกันบ้างถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องมาทุกไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของคนอื่นเพราะความจริงเราสามารถ อยู่ของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูกุบาอาจารย์พระภิกษุทั้งหลายเป็นตัวอย่างทําไมท่านอยู่คนเดียวได้ทําไมท่านไม่ต้องมีแฟนได้ก็เพราะท่านมีธรรมมีธรรมะเป็นแฟนมีความสงบเป็นแฟนเวลามีความสงบแล้วเราก็จะไม่ต้อง พึ่งพาอาศัยไข่เพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรมาให้ให้ความสุขไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีข้าวมีของขอให้มีเวลาปฏิบัติเท่านั้นเองมีเวลาเจริญสติ ทำใจควบคุมใจควบคุมความคิด <quil leye schwier feminine> ไม่ปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <Top ps> บังคับให้คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทธโทพธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดก็จะไม่เกิดความอยากขึ้นมาถ้าคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะได้เขาอยากจะให้เขาอยู่กับเรา อยากจะไม่ให้เขาจากเราไปพอเราไม่คิดถึงใครเราก็จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากใจเราก็จะเย็นจะสบายพอเรานั่งหลับตาทำใจพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่าถึงมะ แม้แต่การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกกังวลตามมาไม่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพะถูกพักก็จะเกิดความวิตกแล้วว่ามบลอตเตอรี่บนี้จะหา่หรือไมอหายต้กงคอยกอดไวใกล้ตกัว และเวลาไปขึ้นรางวัลก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าจะถูกคนเขาหลอกหรือเปล่ามีเรื่องราวปัญหาต่างๆตามมาพอได้เงินแล้วก็ต้องวิตกกับคนมาขอเงินเนี่ยไปขึ้นรางวัลเดี๋ยวก็มีคนเขาขอรับรอยจากนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกันก็จะโผล่มาเยี่ยมละถ้าขอไม่ให้ เขาก็จะด่าเขาก็จะว่าหาว่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่เห็นน้องไม่เห็นอะไรต่างๆมีแต่ทำให้เกิดเรื่องปวดหัวถ้าไม่อยากจะปวดหัวก็ต้องหลบไปอยู่คนเดียวเหมือนกับไปขังตัวเองอยู่ในคุกนี่คือความสุขที่เราจะได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ไม่มีใครรู้ว่าเรามีความสุขไม่มีใครจะมาขอเงินเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีเงินจะให้เขาเราอยู่อย่างสบายนี่คือความแตกต่างกันแล้วก็ความสุขนี้ก็จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะเรารู้จักวิธีรักษามันรู้จักวิธีสร้างมันไม่เหมือนกับเงินทองที่ได้มา ถึงแม้ว่าจะรักษามันได้ตายไปก็หมดไปตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปเวลาไปก็ไปมือเปล่ า, ลาไม่มีเงินทองติดตัวไปถ้าไม่ได้ทาบุญก็จะไม่มีเงินเงินไม่มีบุญติดตัวไปบุญนี่แหละเป็นเงินของเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายถ้าเรามีบุญเราก็จะไปอยู่โรงแรมห้าดาว ไปกินอาหารท่าดาวถ้าเราไม่มีบุญเราก็จะไปเป็นขอทานข้างถนนนอนใต้สะพานนี่คือเรื่องของของกาที่เราหลงไปกับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองจะทำให้เราไม่อยากจะทำบุญจะเสียดายเงินเวลาทำบุญ แต่ไม่เสียดายเวลาไปซื้อลอตเตอรี่เวลาไปเที่ยวเวลาไปดื่มสุรายาเมาเวลาไปเล่นการพ น, น, นันนี้เสียเท่าไหร่ไม่ไม่เสียดายแต่เวลาเอาเงินมาทำบุญเพื่อที่เราจะได้เป็นเศรษฐีเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปกับไม่ทำกันตายไปก็เลยต้องเป็นเปรตมารอรับส่วนบุญของคนที่เขา ทำบุญอย่างพวกเราวันนี้เดี๋ยวเราทำบุญเสร็จเราก็กวดน้ำกันกวดให้ใครก็กวดให้พวกเบลตนี่พวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำบุญชอบใช้เงินชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่เวลาทำบุญนี้ไม่อยากทำถ้าทำก็ทำด้วยความจำใจเช่นวันเกิดก็ทาสักครั้งหนึ่งปีใหม่ก็ทำสักครั้งหนึ่ง หรือเวลามีความทุกข์ใจร้อนใจก็ทําเป็นสักครั้งหนึ่งทำแบบนี้ก็เหมือนกับกินข้าวปีละสองสามครั้งถ้ากินข้าวปีละสองสาครั้งนี่ร่างกายมันก็ต้องสู้ผอมและตายไปอย่างแน่นอนใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจเราต้องการบุญบุญเป็นอาหารของใจถ้าเราไม่มีบุญใจของเราจะหิวโหว ย, เ, ยเวลาตายไปก็ต้อง ก็เลยกลายเป็นเปรดไปต้องม ร, รอรับส่วนบุญถ้าเราทำบุญตายไปเราก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีเทวดาก็พวกที่ไปอยู่ตามโรงแรมห้าดาวไปเที่ยวไปกินไปดื่มระดับห้าดาวเพราะเขามีเงินจ่ายเขามีบุญบุญนี่แหละเป็นเงินที่เราจะใช้ในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจเราต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ถ้าไม่มีบุญก็ต้องไปอยู่แบบขอทานถ้ามีบุญก็จะไปอยู่แบบเทวดาดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายมากจนเกินไปอย่าหามันเลยได้ยิ่งดีมาหาความสุขให้กับใจดีกว่าเพราะว่าจะมีความสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และเวลาตายไปก็มีความสุขเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาเราทำบุญเวลาเรารักษาศีลเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาเราจะเริกปัญญาตัดความอยากต่างๆที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราทำได้ใจของเราจะมีความสงบมีความสุขอยู่ตลอดเวลา ั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไปความสุขนี้จะเท่ากันเวลามีชีวิตอยู่ก็เป็นปรมังสุขขังเวลาตายไปก็เป็นปรมังสุขขังเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนขณะที่มีร่างกายและเป็นเหมือนในขณะที่ไม่มีร่างกายนี่คือใจของพระอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีความสุขนับตั้งแต่วันที่ท่านได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าใจของท่านจะไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความวิตกกังวลเดือดร้อนพวงใยญหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุข ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขใช้ธรรมอย่างเดียวใช้ธรรมะคือสติใช้ธรรมะคือสมาธิใช้ธรรมะคือปัญญานี่แหละคือสิ่งที่จะทาให้เราเป็นเศรษฐีก็คือการทำบุญให้ทานการรักษาศี การเจริญสติการเจริญสมาธิแลกปัญญาแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปกลับมาเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ชาตินี้หามาได้แทบเป็นแทบตายพอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาหาใหม่ถ้าไม่ได้ทำบุญถ้าทำบุญก็ไม่ต้องหาใหม่เพราะจะมีบุญมารอรับเรา จะมาเกิดในครอบครัวของคนที่มีเงินมีทองหรือถ้าไม่มีก็จะมีความสามารถที่จะทํางานทําการหาเงินหาทองมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเป็นเหมือนส้มหล่นลงมาเพราะอํานาจของบุญเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปคบกับคนพาลคบกับคนโง่เพราะเขาจะพาให้เรา ไปทำในสิ่งที่จะทำให้เราต้องทุกข์ยากลบาบากต่อไปให้เราคบกับบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์แล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็จะได้ทำบุงคลข้อที่สาคือบูชาบูชาในบุคคลที่สมควรแก่บูชา ว่าถ้าเราได้คบกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราเคารพ บ, บูชาผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาของเราท่านบอกว่าบิดามารดาของเรานี้เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของเราถ้าเราอยากจะทําบุญกับพระอาหารหันต์ให้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ในบ้านก่อนได้บุญมากได้บุญมากกว่าออกไปทํากับภาพที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์สิ พอทำบุญกับพระหรหันที่บ้านแล้วค่อยออกไปทำบุญกับพระาอารหันต์นอกบ้านจะได้บุญมากเพราะอะไรเพราะเวลาทำบุญกับพระาอารหันต์ก็จะได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังคำสอนที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติตัวเราให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้มีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นกับตัวเรา ถ้าเราไปทำกับคนพาลคนพาลก็จะสอนให้เราทำแต่สิ่งที่จะเกิดความเสียหายสอนให้เราดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนมีความเกียจคั้านแต่ถ้าเรามาคบกับคนดีท่านก็จะสอนให้เรากระทำความดีการกระทำความดีนี่แหลเรียกว่าปฏิบัติบูชา การบูชาที่เป็นการบูชาที่แท้จริงต้องเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทุกเทียนนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นการแสดงความเคารพเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้บูชาถ้าบูชาก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติทำความดี ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาศีลของให้เราปฏิบัติธรรมสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราทำได้เราก็จะได้รับผลดีนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูบชาถ้าเราบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนเรายังจะไม่ได้ทำทางยังไม่ได้รักษาศีล ยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติธรรมผลอันเลิศอันประเสริฐก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยังจะต้องทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกขกับคนนั้นคนนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราปฏิบัติบูบชาได้ทำบุญทำทานรับใช้คนอื่น รักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายามาเราก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายแล้วถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบเราก็จะได้นิพพานเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แล้ว คือผลต่างๆที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดกันมาคบบัณฑิตไม่มาหลีกเลี่ยงการครบคนพาลมาบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาแล้วผลก็คือเอตมังกัลมุตตมังก็จะตามมาเป็นมงคลอย่างยิ่งจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาสร้างความเป็นมงคลนี้ให้กับชีวิตของพวกเราให้ได้ให้ท่านได้นำมาไปพนิพิเพลินาและปฏิบัติเพื่อความเจริญโน้มเยยงเป็นสุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศล